กลัวตายท่านจะต้องตายอีกความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับมนุษย์ทุกคนความกลัวอันนี้กลับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและในชีวิตประจําวันที่ทุกคนต้องพ่านพบแต่ก็ไม่ค่อยมีใครสามารถตัดใจจากมันได้เว้นแต่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอาหารหันต์เท่านั้นแม้พระพุทธเจ้าจะพร่ำสอนสักเท่าใดว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาใครเกิดมาก็ตายหมดโลกทุกคนต่างบ่ายหน้าไปสู่ความตายเมื่อตายทรัพย์สินสักชิ้นก็เอาติดตัวไปไม่ได้ผู้ที่เศร้าโศกถึงคนตาย ก็เหมือนเด็กน้อยร้องไห้ขอพระจันทร์ในอากาศพระพุทธองค์ยังทรงสอนย้ำให้ชัดเจนขึ้นว่าจะตายก็ไปคนเดียวจะเกิดก็มาคนเดียวจะอยู่ก็ทุกคนเดียวความสัมพันธ์ของคนและสัตว์บนโลกใบนี้ ก็แค่เพียงได้เกิดมาพบปะเกี่ยวข้องกันชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองผู้ที่โศกสลดสลัดใจจากความเศร้าเพราะการตายไม่ได้เขาย่อมประสบความทุกข์หนักยิ่งขึ้นอีกที่กล่าวถึงเรื่องความตายอันสะทยายมาแล้วพระพุทธเจ้าสอนเราฟังดูเหมือนง่ายแต่ทำใจตามนั้นยาก แต่ท่านผู้ที่ทำใจได้อย่างนั้นก็มีแต่ก็มักมีน้อยท่านพอหลีท่านเคยกลัวต่อความตายแต่ต่อมาท่านเอาชนะได้จึงไม่กลัวมีเรื่องของท่านที่จะเล่าให้ฟังสมัยที่ท่านอยู่วัดสระบุมกรุงเทพมหานครราวปี2471ถึง2473 เมื่อย่างเข้าฤดูแลง้งด้วยอุปนิสัยที่ท่านชอบท่องเที่ยวอยู่ป่าจึงได้กราบลาพระอุปัชฌาเพื่อออกทุดงไปยังจังหวัดอยุธยาสระบุรีลบุรีอำเภอตาครีภูเขาผู้คาล่วงเข้าเขตจังหวัดนครสวรรค์ผ่านอำเภอท่าตะโกและบึงบรรเพศ ท่านพักอยู่ในเสนาสนะป่าห่างจากหมู่บ้าน20สิเส้นวันนั้นช้างป่ากับช้างบ้านตัวตกมันต่อสู้กันอย่างดูเดือดเลือดล่านยาวนานถึง3าวันสามคืนช้างป่าสู้ไม่ได้ถึงแก่ความตายช้างบ้านตัวตกมัน ก็ยิ่งเพิ่มความหยุดร้ายทวีคูณพรุกพร่านอาละวาดหนักขึ้นได้วิ่งขับไล่ใช้งาทิ้มแทงผู้คนซึ่งอยู่บริเวณป่าที่ท่านพักอยู่ท่านขุนจบเจ้าของช้างตกมันกับชาวบ้านซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นได้ตะโกนขอนิ้มนให้ท่านหลบลี้หนีเข้าไปในหมู่บ้านท่านก็ไม่ยอมไปเพราะเชื่อในอำนาจแห่งเมตตาธรรม ทังตกมันตัวดุร้ายนั้นได้วิ่งชูงวงยื่นงายาวอันขาวปลอดมุ่งตรงมายังที่ท่านพักท่านเกิดความกลัวกระโดดวิ่งออกจากที่พักจะไปปีนต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆขณะที่กําลังเอามือเหนียวปีนป่ายต้นไม้ก็ได้ยินเสียงคล้ายเสียงคนมากระซิบที่ข้างหูว่าคนไม่จริงกลัวตาย คนกลัวตายจะต้องตายอีกเมื่อท่านได้ยินเสียงกระซิบเตือนจึงได้สติรีบเดินกลับไปยังที่พักประจันหน้ากับช้างซึ่งยืนจังก้าแผดเสียงร้องลั่นอยู่ใกล้ๆท่านค้มตัวลงช้าๆนั่งสมาธิภาวนาลืมตาเพ่งแผ่เมตตาให้กับช้าง ช้างจ้องมองท่านท่านก็จ้องมองช้างสายตาแห่งความโกรธกับพลังแห่งเมตตาการุณาอันบ่มบาเพ็ญมาช้านานสร้างประทับกันอย่างจังช้างใหญ่หยุดชะงักเหมือนรถวิ่งชนภูเขาหินเสียงชาวบ้านกรีดร้องดังลั่นอกสั่นควัญหนี เสียงเซงแซ่แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยท่านได้มีเพียงเสียงตะโกนร้องอยู่ไกลๆออกมาออกมาท่านรีบลุกออกมาไม่ออกมาแย่แน่บางก็ว่าน่าสงสารนะปลาหนุน่มนี้ไม่มีใครกล้าไปช่วยเหลือท่านเลยชีวิตยังมีค่ารีบออกมาอย่าเอาไปเสี่ยงเลยท่านนั่งแผ่เมตตาจิต ไม่สนใจในคำบิงบวรขอร้องของใครๆไม่นานนะักช้างตัวนั้นตีหูพึ่อพื่บโบกขึ้นลงเสียงดังพุบพับพุบพั บ, พบสลับกับเสียงร้องดังแป l a น e p ใจของช้างที่เร่าร้อนกระวนกระวายเพราะโมหะสงบเย็นลงเหมือนไฟน้อยกระทบสายน้ำเชี่ยวที่เยือกเย็นพลันวูบดับลง มันค่อยๆหมอบลงแสดงกิริยาแห่งกรารกราบเหมือนตุ๊กตาช้างตัวน้อยๆที่เด็กเล่นแสดงอาการสารภาพผิดความมึนเมาและตกมันหายไปหมดสิ้นในพริบตาจากนั้นมันก็ลุกหันหลังกลับเดินเข้าป่าไป นี่แลสังคานุภาพของพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านขุนจบเจ้าของช้างและประชาชน<ม>เห็นเป็นอัศจรรย์พากันสาการะบูชาท่านอย่างมากมายและพากันอ้อนวอนขอของดีจากท่านท่านตอบว่าญาติโยมทั้งหลายอาตมาขอบอกตามตรง ตั้งแต่เกิดมาอาตมายังไม่เคยมีพระแขวนคอสักองค์เดียวแล้วจะมีของดีอะไรมาแจกพวกญาติโยมอาตมามีแต่ความดีแจกจ่ายจะเอาไหมจะฟังไหมเอาเอาเอาเสียงประสานของชาวบ้านตอบรับท่านจึงกล่าวคำสอนสั้นๆเพื่อเป็นการสั่งลาและตอบแทนบุญคุณเข้าน้ำ ที่เขาใส่บาตรให้ฉันว่าญาติโยมทั้งหลายถ้าเราเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความดีใครจะทำดีทำชั่วหรือพัทุสร้ายให้แก่เราเราก็แผ่เมตตาให้เขาร่มเย็นเป็นสุขมีจิตเป็นธรรมมีจิตเป็นกลางทั้งเขาทั้งเราก็จะปลอดภัย ธรรมนั้นเปรียบเสมือนน้ำฝนในอากาศเมื่อตกลงมาย่อมช้าล้างความสกปรกในพื้นแผ่นดินให้สะอาดยังสปปรรพสิ่งทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตให้สดชื่นทั้งยังเป็นน้าอุปโภคบริโภคแก่คนและสัตว์แก้ความหิวกระหายเป็นเครื่องทำความเย็นให้โลกได้บรรเทาความร้อนเหตุนั้นคุณของธรรมะ จึงยังคนให้สะอาดร่มเย็นเป็นสุขคือดับเพลิงกิเลสไม่ให้ลุกลามเมื่อใครเขาทำให้เรารักเกลียดโกรธโลภหลงเราก็ไม่เป็นไปตามเขาเราก็ย่อมมีอิสรภาพปลอดภัยจากอันตรายและจากกิเลสทั้งมวลอันเป็นของสำคัญ ขอให้ญาติโยมทั้งหลายซ้ำไว้อย่างถึงใจว่าสิ่งทั้งหลายที่มาในลักษณะของศัตรูนั้นย่อมทำร้ายคนได้ไม่ถนัดเราอาจหาวิธีหลบหลีกหรือต่อสู้ได้เหมือนช้างวิ่งเข้ามาซึ่งหน้าหวังทำร้ายห้าหันอาตมาอาตมายังใช้สติปัญญาภาวนาตั้งสติสมาธิสู้ได้ทันการ แต่ถ้าเหตุการณ์แบบนี้มันมาในลักษณะของเพื่อนสนิทมิสหายเป็นของน่า ย, ยินดีน่าปรารถนามันมีโอกาสทำร้ายเราได้ง่ายและรุนแรงโดยที่เราไม่ทันได้ระวังตั้งตัวเหมือนช้างตกมันตัวนี้ถ้ามันมาดีๆแกล้งมาคลอเคลีย ว, ว่านอนสอนง่ายเวลาเราเผลอ มันกระทืบเราตายเลยนี่เราจะป้องกันมันได้อย่างไรธรรมะที่ลราวสอนพวกโยมนี้เองเป็นสิ่งที่สร้างปาฏิหาริย์ให้อัตมารอดพ้นจากช้างตกมันตัวดุร้ายมาได้แบบวุดวิดเฉียด ต, ตายมีใช่อย่างอื่นมีใช่เครื่องรางของครั้งแต่เป็นหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ให้พากันจำเอาเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้จากปากต่อปากชื่อเสียงของท่านก็โด่งดังแบบไม่ทันตั้งตัวยังไม่ทันข้ามคืนความไม่สงบก็เกิดขึ้นท่านจึงหนีกลับจังหวัดพระนครนี่แหละท่านทั้งหลายท่านผู้ไม่กลัวตายย่อมไม่ตาย ส่วนผู้ที่วิ่งหนีความตายทุกวี่ทุกวันได้ตายจากความดีไปแล้วและตายแบบไม่มีวันฟื้นจากหลุมนรกได้ง่ายความตายเป็นสิ่งที่พึงพิจารณาและน่าปรารถนาเพราะเป็นดอกไม้ของพระอริยเจ้าประทานมาเพื่อมีให้มวลมนุษย์หลงไหลมัวเมาในชีวิตและทรัพย์สินจนงอหัวไม่ขึ้น Thank mm -hmm. you.